ไมียอมให้เธเพอใจแบ่งปันวอนฟ้าที่ห่มดาววอนส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 ท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกท่านเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายลูกของประกอบรัฐธรรมนูญ นะครับซึ่งตอนนี้คณะกรรมธิการร่าง ร, รัฐมนูญหรือกรทมีการประชุมรับฟังกฎหมายร่างพรบรประกอบรัฐรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวซึ่งเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ ท, ที่รัฐสภาซึ่งก็มีการสอบถามอเอาเนื้อหามาดูกันมาพูดมาคุยจากตัวแทน ของประชาชนในภาคต่างๆซึ่งมีการเปิดเผยบอกว่าอย่างเช่นตามรัฐธรรมนูลปีพุทธศักราช2560มาตรา107กำหนดให้มีการเลือกสอวอโดยโดยโด ย, โดยการสรรหาล่ะครับนะเลือกทางอ้อมนะครับมีการให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มวิชาชีพนะซึ่งก็แบ่งออกมาเป็น หลายกลุ่มวิชาชีพนะไปเลือกกันเองนะครับนะไปเลือกกันเองนะครับเพื่อที่จะให้ได้ตัวแทนวิชาชีพมานะก็ไล่มาตั้งแต่ระดับจังหวัดมาจนถึงระดับชาตินะครับแล้วก็มีการหารือกันว่าจะมีกลไกป้องกันไม่ให้เกิดการหั้วกันได้อย่างไรนะครับนะเพราะอาจจะมีการวิ่งเต้นกันได้นะครับการเลือกกันเองล็อบบี้กันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็หารือกันกันหลายด้านนะครับนะหลายด้านเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า อย่างเช่นการสรรหาตัวแทนอาชีพต่างๆเนี่ยต้องเริ่มมาตั้งแต่ระดับอําเภอมาจนถึงระดับจังหวัดนะครับแต่ซึ่งอตอนนี้นี่ถ้าเกิดว่าแบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพนะครับนะก็ต้องออกแบบนะครับว่าในแต่ละจังหวัดนะครับนะมีกลุ่มอาชีพต่างๆ20กลุ่มเนี่ยเราให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมามาเลือกกันเองนะครับอย่างมีการคัดเลือก อตัวแทนในระดับจังหวัดเนี่ยเหลืออยู่ห้าคนเนี่ยจะให้ห้าคนมาจับฉลากหรือว่าจะมีกรรมการกัดกองเพื่อให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็ยังถกเถียงกันอยู่บางส่วนก็บอกให้ให้มีการมาจับฉลากแต่บางส่วนก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าก็จะไม่ได้คนที่เก่งนะครับในความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกระบวนการร่าง กฎหมายในการเลือกสอวอนี่ก็ยังถกเถียงกันอยู่ในในส่วนของคณะกรรมการเราต้องรอรออีกทีนึ่งนะครับก็กําลังมีการพูดมีการคุยกันอยู่นะครับเพราะว่าตรงตรงตร ง, งนี้ต้องเร่งนะครับนะเพราะว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นพบรบพักการเมืองนะครับ พ, พบรบพรบว่าด้วยกรกตนะครับนะแล้วพบรบว่าด้วยกานะรเลือกสอสอวเนี่ยนะครับถ้าเสร็จเมื่อไหร่นะก็จะสามารถที่จะพร้อมที่จะมีการ จัดการเลือกตั้งไดใ้ในทันทีนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องมาดูกันมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของของรัฐในการที่จะแก้ปัญหาคนยากคนจนนะครับนะคนยากคนจนกันในในช่วงนี้นะครับซึ่งในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยแบง์ชาติก็ร่วมมือกับสมาคมธนาคารนะครับต่างๆ ก็บอกว่าจะเปิดคลินิกแก้หนี้สินส่วนบุคคลโดยจะดึงลูกหนี้กว่า3ล้านคนนะมาเข้าระบบนะครับบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะก็เป็นความหวังของของคนยากคนจนนะครับซึ่งจากการเปิดเผยของนายวีรไทยสันตปิประพบนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกได้กล่าวบอกว่าปัญหาหนี้สินคัวเรือนของของไทยเนี่ยเป็นปัญหา ที่บันทอนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีความดุลแรงนะครับซึ่งจากการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยก็พบบอกว่าคนไทยเราเป็นเป็นนี่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นนี่นานนะครับแต่มีมูลค่านี้มากขึ้นตามลําดับคนไทยพบว่าคนไทยเริ่มเป็นนี่ตั้งแต่จบการศึกษานะครับแล้วก็มี ลูกหนี้ NPL อยู่ในระบบสูงถึงประมาณ3ล้านคนนะครับหรือ 16% นะครับโดยลูกหนี้ก็มีอายุเฉลี่ยระหว่าง29่ปีก็เป็นกลุ่มคนวัยทำงานนะครับตั้งแต่29ปีขึ้นไปแล้วก็สร้างครอบครัวซึ่งอยู่ในกลุ่มคนทำงานทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีครอบครัวนะครับประมาณ1นในหของของหนี้ NPL ทั้งหมดซึ่งขนาดเดียวกันเนี่ยบริษัท ข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตหรือว่าเครดิตบุโรเปิดเผยบอกว่ายอดหนี้เฉลี่ยต่อหัวของคนไทยนะครับก็เพิ่มขึ้นจาก 70,000 บาทนะต่อหัวในปี2553ันเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มเป็นแสน0 0 0หบาทต่อหัวนะครับเมื่อสิ้นปี2559ก็เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแล้วครับจากโดยเฉลี่ยใน 70,000 บาทต่อหัวนะครับก็ ปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแสนห้าแล้วนะครับนะซึ่งจํานวนนี้ก็ยังไม่รวมถึงหนี้ลอกนอกระบบนะคนที่ไปกู้หนี้ในทุนนอกระบบบ้างนะครับหรือว่าหนี้ของสากลออมทรัพย์นะอย่างเช่นสากลอมทรัพย์ครูนะอมทรัพย์อะไรต่างๆหรือว่าเป็นหนี้ของกยอศอกองทุนเพื่อการศึกษานะครับซึ่งถ้าหากรวมหนี้เหล่านี้เข้าไปก็ยอดก็จะสูงนะแล้วก็มีอัตราการผิด นัดชำระเนี่ยผิดนัดเนี่ยชำระหนี้เนี่ยก็สูงเพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับนี่จากการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเร่งแก้ไขแล้วครับในส่วนของของรัฐนะครับว่าทำอย่างไรที่จ ะ, ะจะจะใหะ้ปัญหานี่สินเหล่านี้ได้ได้คลี่คลายตัวลงไปซึ่งสำหรับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะ ทำอยู่3ด้านคืออันแรกคือสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกนี้นะคือไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวนั่นเองนะครับเพราะบางคนนี่มีมีบัตรเครดิตหลายใบก็จะมักจะลูดนะครับคนรุ่นใหม่นะครับนะนนะบนะเขาไปจับใจ่ายใช้สอยในตัดสินใจเร็วนะครับแต่มีบัตรพลาสติกบัตรเครดิตทำให้บางครั้งนี่ก็ไม่สามารถที่จะมาเอาเงินมาใช้จ่ายมาเคลียได้ก็จะเป็นหนี้มาตรการที่2ในสถาบันการเงินก็จะ คือธนาคารเนี่ยอาจจะเสนอผลิตภัณฑ์การก่อนนี่อย่างมีความรับผิดชอบนะอาจจะมีการเข้มงวดในเรื่องของการที่จะออกบัตรเครดิตนี่ต้องดูรายได้ที่สูงขึ้นนะครับเข้มงวดว่ามีพอพอผ่อนได้หรือไม่นะครับอันที่สมก็จะถ้าลูกหนี้นี่ติดอยู่ในวงจรนี่สินล้นพ้นตัวนะครับก็จะต้องมีมีมีมีมีมาตรการมีทางออกอาจจะมีโครงการ นะโครงการคลินิกแก้หนี้นะครับซึ่งร่วมมือกันระหว่างสมาคมธนาคารแล้วก็บริษัทสินทรัพนะครับบริหารสินทรัพนะเครดิตบุโรหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นนตรงนี้นี่ก็คงจะต้องเป็นมาตรการที่ต้องต้องเร่งแก้ไขแล้วครับมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนนะครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ก, กลับทางวังลมพาพักนางสู่กรุงไรอ้อยแห่งเฉาเพราะเจ้าไม่อยู่ที่ทนอดสู้เฝ้าดูเจ้ารุงสวนแพะวุงใหญ่อยู่ในเมืองกรุง งยาเขาา คุยกันต่อนะครับซึ่งในช่วงนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการผลการวิจัยของธนาคารอมสินจากการเปิดเผยของนายชาติชายพายุหะนาวีชัยซึ่งเป็นผู้บริการอมสินก็บอกว่าจากการวิจัยของธนาคารพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ฐ, ฐานรากนะครับหรือว่า GSI ไตรมาส่ของปีนี้สำรวจจากประชากรรายได้ไม่เกินหม0 0าบาท ต, ต่อเดือนจำนวน 1,800 ตัวอย่างก็พบว่าดัชนีของความเชื่อมัน่นเศรษฐกิจฐานลากก็อยู่ในระดับ 47.2 ปรับลดลงจากไตรมาสที่4ของปีที่แล้วซึ่งมีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 49.9 สเึ่งเนื่องจากว่าประชาชนระดับฐานลากคือประชาชน ชาวบ้านคนยากคนจนนะครับก็รู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศปัจจุบันก็ยังฟื้นตัวล่าช้านะสินค้าราคาแพงนะค่าของชีพก็สูงขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในความเชื่อมั่นก็เลยลดนะซึ่งซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องต้องเร่งที่จะแก้ไขแล้วครับนะเพราะว่าเศรษฐกิจค่อนข้างจะฝืดเครื่องเนี่ยนะครับนะก็คือเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาเศรษฐกิจในเดิน คนที่เดินตลาดเดินไปตามห้างตามอะไรไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าก็จะรู้นะครับนะว่าจะขายดีไม่ขายดีนะครับคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะครับนะก็แล้ก็ก็ดูนะครับถ้ายอดขายตกก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขศูนย์วิจัยของออมสินก็มีการสํารวจนะเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะเพื่อประกอบอาชีพการดํำรงชีวิตของประชาชนนะคนยากคนจน ก็กลุ่มตัวอย่าง 70% บอซบอกว่าได้รับรู้ข้อมูลที่ประชาชนชาวบ้านสนใจนะครับนำ ม, มานำมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอันแรกเลยคือเขาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับหนึ่งเลยนะครับนะก็ตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องว่าราคาหมูราคาไก่ราคาข้าวสารราคาอะไรจะจะขึ้นจะลงอะไรหรือน้ามันยางไงนะพราะกระทบกับเขา อันที่สองก็คือติดตามสนใจติดตามข่าวสวัสดิการจากภาครัฐนะครับนะว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือคนจนอย่างไรมาแก้ปัญหาหนี้สินปลดหนี้กันอย่างไรนะอันที่สามก็ติดตามราคาซื้อขายปัจจุบันของสินค้าเกษตรราคาข้าวราคายางราคาอ้อยจะสูงขึ้นหรือไม่เพราะว่าเขาเขาเขาเป็นราคาที่เขาจะไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเขานี่แหละครับนะส่วน ข่าวสารที่ประชาชนสนใจนะครับนาะที่จะมารู้ว่าจะเอามาประกอบอาชีพได้อย่างไรนะครับนาะชาวบ้านเนี่สนใจก็ติดตามข่าวสารนะครับนาะที่สนใจจะมาใช้ประกอบอาชีพอันแรกคือเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอันที่2คือสวัสดิการจากรัฐเช่นเดียวกันแต่อันที่3ก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน นะเพราะว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออมการอะไรต่างๆนะการจะมากู้ยืมเงินมาลงทุนนะครับแม่ค้าะายเล็กรน้อยนะก็เป็นเป็นเป็นผลการสำรวดที่น่าสนใจแล้วก็ช่องทางหลักนะครับที่ชาวบ้านนะทั่วไปจะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆก็มีช่องทางหลักอันดับหนึ่งเลยนะครับที่เขาใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็คือโทรทัศน์ประมาณ2ี อันที่สองก็คือแอปพลิเคชันจากมือถือแล้ครับนะอันที่สองก็คือมือถือนอ่ประมาณ 14% อนะครับอันที่สามก็คือบุคคลทั่วไปนะครับอาจจะเป็นผู้นำชาวบ้านอาจจะเป็นเพื่อนหนุม ง, งานมาบอกกล่าวนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นว่าการใช้ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นแล้วก็พวก ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์จากาวิทยุจากโทรทัศน์เริ่มจะลดลงนะครับนั่นก็เป็นแนวโน้มนะครับที่ที่ต้องดูแล้วก็ดูพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของชาวบ้านนะรัฐบาลกำลังจะผลักดันไป 4.0 นี่นะครับก็มาดูว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับนะใช้สื่อออนไลน์นะใช้เฟ e บุ๊กในอันดับหนึ่งะครับนะประมาณ44นะจะจะใช้การค้นหาข้อมูลจากเฟ e บุ o k ลองลงมาก็คือแอปพลิเคชัน line จากมือถือนะครับประมาณ 24% ก็จะใช้ไลน์อันดับ3ก็คือ YouTube นะประมาณ 10% ก็ดูคลิปดูอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่จะใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากที่สุดนะก็คือช่วงค่ำแะครับนะช่วงอันดับแรกเลยคือประมาณช่วง19บนาฬิกาถึง22่นาฬิกาทุ่มถึงสทุ่ม มันมีผู้เข้าใช้สูงสุดนะครับนะอันดับรองลงมาก็ช่วง9ก้านาฬิกาถึงเที่ยงนะเก้นิกาถึงเที่ยงนี่อันดับ2อันดับ3ก็คือประมาณช่วงเที่ยงจนถึงช่วงบ่ายสโมงนะครับเป็นอันดับที่3เพราะฉะนั้นในช่วงช่วงกลางคืนเนี่ยมีคนเข้าใช้โลกออนไลน์เนสูงสุดนะเพราะฉะนั้นในคนบรรดาบริษัทธุรกิจอะไรต่างๆเขาก็จะมักมีโฆษณามีการจับกลุ่มนะครับ ในกลุ่มลูกค้าเราเนั่นนะครับนะเพราะเรากำลังจะผลักดันให้ไทยละให้เราเป็น Thailand 4.0 นะครับนะเพราะท่านก็จะมีรัฐก็จะเร่งมาตรการในการที่จะติด w า f i ติดตั้งอินเทอร์เนต็ตต่ออินเทอร์เนต็ตไปให้ถึงในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทั่วประเทศ ก, ก, ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะว่าถ้ามี w า f i มีในส่วนของเครือข่ายเนะี่ยครอบคุมไปในระดับ ในระดับหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านก็จะสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลได้นะเพราะตอนนี้นี่มีโทรศัพท์ก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้แล้วครับมีสมาร์ทโฟนแล้วชาวบ้านก็เริ่มที่จะมีเริ่มที่จะใช้โปรแกรม l ลน์โปรแกรมใน Facebook, YouTube, เฟซบุ๊ o ยูทูบแหล่งต่างต่างกันเก่งขึ้นแครับถ้าดูจากผู้นำของชาวบ้านนะก็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 นิลงรักไม่ลา้ังลงรักจะชอดอกไม้ทั้งใจต่อให้หิวก็ฝืนก็ทนจะยอมไม่เกลื้นไม่กินดอกใบให้เจ้าดอกไม้ราาักใครแข็ดใช้น้ำค้างเพื่อพอประทัง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 ฝันไม่ทันได้เติบโตไม่ทันพอบินแล้วความรักของมันจะทิ้งเรื่องราวอะไรให้ใครได้รักที่สร้างสรรค์ไม่ทำร้าย ใ, ใครต่อให้หิ ไม่กลืนไม่กินดอกไม้ให้เจ้าดอกไม้ราคาแค่ใช้น้นค้างเพื่อพอประทังตายังมองเชื่อมชมแค่เพียงดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเองจนชีวิตเจ้าน้องก็ตายลงไปยอมทำไป ม่ใครจะมองเห็นหล่นร่วงลงไปทอดกาเป็นปุ่ย